ก็เมื่อกี้กำลังวุ่นวุ่นอยู่เรื่องการบันทึกเสียงพอดีว่าช่วงนี้อาจจะไม่อยู่ก็จะมอบหมายให้พระรูปอื่นช่วยดูแทนก็เลยมาเทศโดยที่ไม่ไันได้ดูเนี่ยก็ไม่เป็นไรธรรมะก็เป็นเรื่องของปัจจุบันอารมณ์พูดตอนไหนก็ได้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมของเราก็คือ การรู้กายรู้ใจในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็รู้เนาะไม่ต้องหาปฏิบัติธรรมไม่ต้องหาเพราะว่าเรามีกายอยู่มีกายมีใจอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนนะแล้วในกายในใจเนี่ยมันก็ปรากฏเหตุการณ์ต่างๆก็อยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องหามันก็จะเจอเอง ลองยกตัวอย่างอย่างเช่นเราอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็รู้ได้ว่าไก่นิ่งเรายกมือก็รู้ได้ทันทีว่ากายเคลื่อนไหวเราเราไม่ต้องหาเพราะมันมีอยู่แล้วเนาะอย่างสมมุติอ่าเราพูดถึงเรื่องความง่วงอ่าตอนนี้เราก็ไม่ต้องหาว่าเรามีความง่วงหรือไม่ใครห่วงอยู่ใครง่วงอยู่ก็รู้ได้เลยว่าอ ตอนนี้ง่วงอยู่ถ้าใครไม่ง่วงก็รู้ได้เลยว่าตอนนี้ไม่ง่วงอยู่ชัดมากอย่างโยมเห็นไหมโยมอยู่ข้างหลังอะ่ะโยมก็ก็ง่วงอะ่ะอานอนอย่างไงก็รู้ได้เลยใช่ไหมเวลาเหงาวนอนบางทีทางปากทางอะไรมันก็มีการเคลื่อนเนี่ยมันก็รู้ได้เลยนะเพราะนั้นปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าใจหลักแล้วเนี่ยมันมันไม่ยากไม่ยากเลย เพราะว่าสิ่งที่เราเป็นอุปกรณ์ในการฝึกเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวเราจริงๆนะเพราะว่าธรรมะเราไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปเรียนข้างนอกต้องกลับมาเรียนข้างในก็คือมารู้ที่กายที่ใจยังอาตมาอยู่ที่นี่ก็ก็สองปีก็ก็ฟังธรรมทุกวันน่ะนะเราทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็มีฟังธรรมกันมาตลอดครูบาอาจารย์ท่านก็สอนตลอด พูดแต่เรื่องกายเรื่องใจนะฟังแล้วฟังอกีกฟังแล้วฟังอกีกจิตมันก็ไม่ต้องไปไหนอมันก็อยู่กับกายกับใจใช่ไหมต้องอาศัยการฟังเยอะๆอย่างอย่างที่นี่คือที่ที่เราสังเกตก็คือว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยบางบางท่านก็คือมาใหม่มาใหม่จริงๆก็คือไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน นะเหมือนกับว่ามาก็เพื่อที่จะรู้ว่าที่นี่เขาสอนอะไรยังไงบ้างนะอันนีค้คือคนใหม่สุดเอ่อแต่บางคนก็เคยได้มาแล้วเคยได้ยินได้ฟังแล้วนะก็เริ่มค่อยๆฟังแล้วก็ปฏิบัติคู่ไปด้วยตามที่ได้ยินได้ฟังมาส่วนผู้ที่ปฏิบัติต่อเนื่องมานานอย่างเงี้ยก็คิดว่า ถ้าเข้าใจลักหลักแล้วเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไราะสามารถเดินเดินทางด้วยตนเองได้แล้วคือสามารถปฏิบัติเองได้แล้วแต่ทีนี้ว่าแต่ละครั้งที่อย่างอย่างโยมนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่มาก็ไม่รู้ว่าคนไหนใหม่สุดใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรือคนไหนเคยเไม่ใหม่สุดเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็ไม่รู้แต่ถ้าอยู่กันานานๆ น, นะอย่างเงี้ยเราก็คุ้นหน้ากันอยู่เพราะนั้นเวลาการบรรยายธรรมเนี่ย อาจามาก็เคยคิดอยู่นะบางทีเอ e, ๊ะมันจะเริ่มต้นยังไงดีเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าญาติโยมที่มาเนี่ยระดับไหนกันใช่ไหมก็จริงๆแล้วถ้าจะพูดกันให้สมบูรณ์แบบก็หมายความว่าตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดถ้าถ้าลักษณะการบรรยายทําให้ดีนะก็หมายความว่าผู้ที่มาใหม่ก็สามารถจับต้นทางได้เลยส่วนผู้ที่ออยู่ก่อนแล้วเคยปฏิบัติแล้วก็ก็ฟังระดับกลางๆงไปส่วนที่คนที่อยู่มานานแล้วก็สามารถ ต่อยอดในธรรมได้เลยอะไรประมาณอย่างนี้แต่นี้อย่างอาตมาก็อาจจะไม่มีความสามารถพอเนาะที่จะเออ่แสดงธรรมได้ตั้งแต่เบื้องต้นท่ากลางที่สุดให้มันแบบฟังแล้วเข้าใจในในครั้งเดียวอะไรเนี่ยก็คงจะพูดไปเรื่อยๆเนี่ยทีนี้บางทีเนี่ยอาตมาก็นึกถึงตัวเองเหมือนกันว่าบางทีความยุ่งยากเนี่ยจากเริ่มต้นเพราเราก็เคยเริ่มต้นใหม่มาเหมือนกันจากที่เราไม่รู้เลยว่าการเรียนธรรมะ เขาเรียนรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เราคิดเราเอาเองเรานึกว่าน่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งวิเศษเป็นเรื่องของปฏิหาริย์นะเป็นเรื่องที่แปลกๆที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเราก็วาดฝันก็อย่างนั้นแต่ทีนี้พอเราเป็นผู้ใหม่เราก็เริ่มฟังครูบาอาจารย์ในเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะปฏิบัติถ้าเราไม่ฟังในเบื้องต้นยังไงเราก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังเบื้องต้นก่อนว่าการปฏิบัติ มันเริ่มต้นยังไงอ่าทีนี้อ่าตมาก็จะย้อนลงมาว่าพอเราฟังไปฟังไปครูบาอาจารย์บอกว่าอย่างอย่างสายงานของของหลวงพ่อเทียนเนี่ยที่อาตมาเริ่มต้นเนี่ยนะเขาก็เริ่มต้นบอกว่าเออให้เรายกมือสร้างจังหวะนะยกมือสร้างจังหวะก็อย่างที่ญาติโยมทําอยู่เนี่ยนะอย่าไปสนใจอย่างอื่นนะยกไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยยกไปยกไปยกมานะทีนี้เมื่อเรายกไปยกมาอย่างเงี้ยเราทําไป นานๆให้ต่อเนื่องเนี่ยเราเองนี่แหละก็จะเริ่มสังเกตด้วยตัวเราเองได้ว่ากายมันเคลื่อนไปยังไงมันพลิกยังไงมีการนิ่งมีการหยุดยังไงตรงเนี้ยเราเริ่มเห็นร่องของมันแล้วทีนี้พอเราทําไปทําไปอีกเนืนน่องาทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เพียงรู้แต่กายเคลื่อนไหวกับกายหยุดแล้วนะมันก็จะพบ ปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรารวมถึงจิตใจด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายนะขอยกตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ใหม่ก็คือว่าเมื่อเราเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเนี่ยนะอย่างน้อยความตึงความเมื่อยนะที่เกิดขึ้นจากจากมือจากแขนเนี่ยมันก็รู้ได้แล้วว่าเออมันมีความตึงความเมื่อยอยู่นะหรือว่ายกไปยกมาเดี๋ยวก็ปวด ปวดแข้งปวดขาปวดเอวนี่ปรากฏการทางกายมันก็เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วนะแต่เราก็เราก็ยัง ย, งยกมืออยู่เราไม่ได้หยุดนะยกไปเรื่อยเนี่ยยกไปเรื่อยแล้วก็อาการต่างๆในกายเนี่ยมันค่อยๆปรากฏขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างแต่ถ้าเราเพ่งมืออย่างเดียวนะสมมติเรายกเนี่ยเราเพ่งอย่างเดียวพยายามที่จะให้รู้มืออย่างเดียวอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นในกายถึงมันจะมีอยู่เราก็รู้ไม่ได้เพราะว่า ใจเราไปจด จ, อดจ่อกับการเพ่งมือเพราะฉะนั้นการปฏิบัติรรมเนี่ยอย่ายไปเพ่งมันมากเหมือนกับว่ายกเคลื่อนไปเรื่อยๆเล่นๆไปนะไม่ต้องไปเพ่งเพราะการเพ่งเนี่ยมันจะรู้อารมณ์เดียวนะรู้อารมณ์เดียวคือรู้การเ ค, คลื่อนการไหวอยู่อารมณ์เดียวมันไม่สามารถที่จะไปรู้การเก็บการเมื่อยการเมื่อยนะทางกายในส่วนอื่นๆได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็คือเคลื่อนไปเล่นไปเรื่อยๆสบายๆนะ แล้วอารมณ์อื่นๆเดี๋ยวมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้รู้เองนะส่วนอารมณ์ทางจิตใจนะระหว่างที่เราเคลื่อนพริกมือไปพลิกมือมาเนี่ยอารมณ์ทางจิตใจก็เกิดได้เหมือนกันนะซึ่งมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหามันเช่นบางคนยกแล้วแรกๆอาจจะรู้สึกว่ายกไปแต่จิตมันก็ยังคิดพุ้ง่านมันก็ไม่รู้อะไรหรอกว่าใจมีอารมณ์ยังไงบ้าง แต่พอยกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะรู้ได้ว่าเออใจมันส ง, งบลงล้วใจมันส ง, งบลงแล้วคือมันไม่มันไม่คิดกุ้งซ่านเหมือนตอนแรกๆเนะพอใจมันส ง, งบลงนี่ก็รู้ได้แล้วว่าอ๋อใจมันส ง, งบนะรวมถึงอาจจะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าออมันมีความสุขมันมีความสุขใจเพราะว่าเมื่อจิตส ง, งบเนี่ยความสุขย่อมปรากฏอยู่แล้ว นะเป็นความความเย็นอกเย็นใจความสบายนะอันนี้เป็นอาการทางจิตหรือว่าระหว่างเรายกไปยกมาเนี่ยบางคนอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอย้ยกมืออยู่แท้ๆเนี่ยแต่มันกลับไปคิดเรื่องที่บ้านก็ได้นะมันอาจจะกลับไปคิดถึงคนใดคนหนึ่งก็ได้วัดหนึ่งสองวัดหรือเป็นเรื่องยาวก็แล้วแต่นี่คือเป็นอาการทางใจก็เหมือนก็เป็นอาการทางใจที่สามารถรู้ได้เหมือนกันนะ หรือบางคนอาจจะคิดเรื่องงานเนาะคิดเรื่องงานที่ค้างอยู่คิดถึงเรื่องอะไรมากมายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดนี่เท่ากับว่าระหว่างเรายกมือรู้กายในเบื้องต้นแต่สามารถรู้ถึงความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างยกมือนะแล้วก็อารมณ์ทางจิตใจเนี่ยอื่นๆอย่างเช่น จริงอารมณ์ทางใจเนี่ยมันมันเยอะมากมายอะนะแต่แต่ขอยกตัวอย่างในในขั้นระหว่างการยกมือนะโดยส่วนมากแล้วเราอยู่กับที่แต่มันก็เป็นอารมณ์ความคิดนี่แหละจะมีอยู่มากเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นถึงกายเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นถึงที่ใจที่มันนึกคิดได้มันจะแยกกันแล้วกายเนี่ยมันมีหน้าที่เคลื่อนไหวถูกไหมมันคิดไม่เป็นกายเนี่ยมันคิดไม่เป็นแต่ความคิดมันเป็นเรื่องของจิตละ มันก็ไม่ใช่กายเราจะเริ่มรู้จักว่าอ๋อกายก็ส่วนหนึ่งจิตที่คิดก็ส่วนหนึ่งมันคนละส่วนแหละนี่อันนี้ก็ลองลองพิจารณาไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอากายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของการรู้สึกตัวนะเป็นฐานหลักไว้ก่อนแล้วเราก็จะค่อยๆเห็นอาการทางจิตจิตคิดจิตนึกจิตมีความสงบจิตสงสัยนะ จิตสงสัยเนี่ยบางทีมันมีแต่ว่าอาจจะญาติโยมยังอาจจะมองไม่ออกว่าอจิตสงสัยมันเป็นยังไงจิตสงสัยก็คือมันเหมือนกับว่ามันสงสัยนั่นแหละสงสัยว่าเอ้ยกมือแล้วมันจะได้อะไรจะพ้นทุกข์ได้จริงไหมอะไรพวกนี้ยหรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะทําไมที่อื่นไม่เห็นเขายกกันเขานั่งปิดตาอันนี้ก็เป็นความสงสัยนะเพราะนั้นถ้าเรารู้จักสงสัยได้ต่อไปเมื่อความสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสติระลึกได้ขึ้นมาว่าอ๋อสภาวะความสงสัยได้เกิดขึ้นแล้ว นะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันจะไวมากพอเกิดความสงสัยปุ๊บปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้ได้ทันทีว่าโอสภาวะความสงสัยเกิดแล้วแต่เราก็ไม่ต้องไปคิดหาคาตอบอีกนะเมื่อมันสงสัยไม่ต้องไปคิดหาคาตอบเพียงแต่รู้ว่าจิตมีอาการสงสัยอยู่แค่นั้นพอแล้วมันก็จะหยุดการสงสัยไปหยุดลงแล้วก็ต่อมามันอาจจะสงสัยใหม่อีกถ้าสงสัยใหม่อีกก็รู้ใหม่อีกว่าโอ้มันสงสัยอีกแล้ว ระหว่างที่เราพูดเรื่องจิตอย่างนี้กายก็ยังทำงานอยู่ไม่ได้ทิ้งตายแต่ถ้าถ้าสมมุตินะยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเรากาลังยกมืออยู่แต่ถ้าเราตั้งใจฟังมากเกินนะมือนี่ก็อาจจะหยุดก็ได้เพราะว่าใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับการฟังพอมือหยุดปับ๊บตรงมือหยุดตรงเนี้ยมันเผลอไปแล้วเผลออย่างไรก็เผลอเผลอหยุดแล้วก็เจ้าตัวยังไม่รู้สึกตัวว่าตอนนี้มันเผลอไปแล้ว แต่พออยู่อีกหน่อยหนึ่งมันระลึกขึ้นได้ว่าออมือหยุดไปแล้วตรงที่รู้ว่ามือหยุดไปแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นสติที่มันได้บังเกิดขึ้นแล้วเราก็ยกต่อนะยกต่อยกไปยกมาได้ยินเสียงข้างนอกก็หยุดฟังอีกอะนนี้ก็เผลออีกแล้วนะเพราะฉะนั้นความเผลอเนี่ยมันก็จะสลับกับการรู้สึกตัวนะเผลอบ้างรู้สึกตัวบ้างเผลอบ้างรู้สึกตัวบ้างมันจะสลับอย่างเนี้ย นะเราปฏิบัติธรรมไม่ต้องว่าไม่ให้เผลอเลยถ้าปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ให้เผลอเลยเนี่ยมันมันเป็นมันไม่ใช่แต่ในหลักหลักการเนี่ยปฏิบัติธรรมต้องเอาสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเครื่องร ะ, ะลึกระลึกรู้ก็หมายความว่าเมื่อมันเผลอก็ให้รู้สึกตัวได้ว่ามันเผลอนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมไม่ให้เผลอตรงนี้มันมันตอนแรกอัตามาก็เข้าใจผิดเหมือนกันนะว่า การปฏิบัติธรรมเนี่ยการฝึกสติเนี่ยคือฝึกสติเพื่อไม่ให้มันเผลอเลยเราก็ตึงเอาไว้อัวมันจะเผลอไงตึงเอาไว้ข ย, ขยับขยับอย่างเดียวตึงเอาไว้ระหว่างฟังแล้วก็ขยับขยับขยับนี้จนกระทั่งมันเครียดมันเครียดไป ต, ต่อมาก็ได้รู้ภายหลังว่าอ๋อแนวทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยเผลอก็ให้รู้ไม่ใช่ว่าไม่ให้เผลอเมื่อเราฝึกมากๆเนี่ยพอมันเผลอปับ๊บเนี่ยมันก็จะรู้เร็วเผลอปับ๊บ เผลอปั๊บรู้เร็วเผลอปับรู้เร็ ว, รรวมันจะทันกันก็เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เผลออย่างเงี้ยต้องต้องปรับขั่วใหม่แล้วเผลอให้รู้จําไว้เลยตรงเนี้ยเมื่อเผลอให้รู้เช่นเผลอไปฟังก็ให้รู้เผลอไปมองก็ให้รู้เผลอไปดมกลิ่นก็ให้รู้เผลอไปชิมรสชาติอร่อยกับอาหารก็ให้รู้เห็นว่ามันเผลอก่อนแล้วรู้ทีหลัง ให้มันเผลอก่อนแล้วรู้ทีหลังเป็นการรู้ตามทีนี้อา้าวพอเราเราฝึกยกมือไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างตอนนี้อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ลืมตัวเนี่ยมันก็รู้ได้อีกว่าอา๋อล่างกายกําลังไหวๆยกยกย ก, ยกมืออยู่นะหูก็ได้ยินเสียงได้อยู่นะตาก็มองเห็นได้อยู่เออมันก็เริ่มรู้ตัวเขาเรียกว่าเริ่มรู้มากขึ้นรู้เริ่มรู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้น แต่ถ้าเราเพ่งอยู่เราจ้องอยู่เนี่ยมันจะรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ได้เพราะมันอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวนะแต่ถ้าเราสามารถรู้สึกตัวได้ทั่วพร้อมเนี่ยรู้ทั้งตัวตรงไหนเคลื่อนไหวตรงไหนปวดตรงไหนเมื่อยเอออย่างเนี้ยเราเริ่มเริ่มขยายการรับรู้มากขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ก็บอกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยก็หมายความว่าไม่ใช่เรามารู้แค่อย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเราจะต้องรู้รอบ รู้ทั้งตัวรู้ทั้งใจแต่ตรงนี้มันอยู่ที่ว่าระดับของการปฏิบัติแหละว่าอย่างผู้เริ่มใหม่เนี่ยแค่รู้สิ่งเดียวยังรู้ยากเลยนะแต่พูดปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมันก็ง่ายแล้วเพราะว่าสามารถรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้แล้วการปฏิบัติทำก็จะง่ายแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไม่เห็นต้องทําอะไรแต่มันก็รู้สึกได้อยู่เห็นไหมแต่ใหม่ๆเนี่ยตรงเนี้ต้องลงลงแรงหน่อยลงแรงในการรู้กายให้มากก่อน รู้กายเคลื่อนไหวให้มากนะแล้วค่อยๆรู้รู้สิ่งอื่นที่อยู่ในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ต่อไปเนี่ยจิตมันจะจะาําสภาวะพวกนี้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นพออะไรเกิดขึ้นส ต, ติก็จะเกิดขึ้นมาได้ทันทีนะได้เร็วเพราะนั้นหนทางการปฏิบัติเนี่ยอาตมาก็มองแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ใหม่หรือผู้เก่ามันเริ่มต้นเหมือนกันเลย ก็คือรู้กายรู้ใจนะเหมือนกันไม่ว่าอยู่ในขั้นไหนก็ต้องรู้สิ่งพวกเนี้ยก็เหมือนกับบางท่านก็บอกว่ามันมีแต่การนับหนึ่งมีแต่การนับหนึ่งพอมันไปไหนก็ ม, นมานับหนึ่งใหม่พอมันไปไหนก็นับหนึ่งใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่ถ้าทางเราก็ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนก็บอกว่าเมื่อมันมีอารมณ์อะไรต่างๆที่มันคิดพุ่งสร้างคิดอะไรก็แล้วแต่กลับมารู้สึกตัว อะไรเกิดขึ้นก็กลับมารู้สึกตัวเห็นไหมมันก็มีแต่กลับมารู้สึกตัวมันไม่ได้เป็นอื่นเลยนะกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเพราะฉะนั้นการกลับมารู้สึกตัวนี่แหละเป็นการที่เรียกว่าเป็นการนับหนึ่งเนาะอาจจะเรียกอย่างนี้ก็ได้ทีนี้อย่างการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราที่เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านตอนท่านเน้นอยู่เป็นประจําก็คือว่าถ้าปฏิบัติให้ได้ดีเนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติ พอถึ ง, ส, งสิ่งที่เราควรต้องทําก็คือว่าการไม่พูดคุยเยอะเนี่ยตรงเนี้ยมีประโยชน์มากจริงๆแล้วครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านก็พูดเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาจริงเอาจังหมายความว่าไม่ใช่เอาจริงเอาจังเพื่อจะได้อะนะแต่หมายความว่าเพื่อให้เกิดผลเนี่ยให้เราคุยน้อยๆคุยเท่าที่จําเป็นนะเมื่อเราไม่คุยมากเนี่ยสภาวะอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในใจในกายในใจของเราเนี่ยเราก็สามารถรู้เห็นได้ชัด แต่ถ้าเราคุยเนี่ยพอเราคุยเนี่ยมันจะไปปิดบังสิ่งที่เราสิ่งที่กำลังมีอยู่เราก็ไม่สามารถเห็นมันได้นะเพราะนั้นก็อาศัยที่ว่าพูดน้อยคุยน้อยแล้วปฏิบัติให้มากอย่างเนี้ก็จะเห็นผลเร็วนะทีนี้ก็วันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาแค่นี้ก่อนเพราะว่ายังไงยังไงที่นี่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นสามารถที่จะแนะนา หรือสั่งสอนหรือให้คำชี้บอกอะไรไะต่างๆเนี่ยได้ดีอยู่แล้วนะะฉะนั้นก็วันนี้สมควรแก่เวลาแค่นี้ก็ขอให้ญาติโยมนะมีความตั้งใ จ, จเจริญสติเพื่อให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมกันในในชาตินี้นะด้วยกันทุกท่านเธอ